บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในยะแห่งคำถามของท่านโมกราชานพซึ่งได้ปรารพให้ฟังในวันก่อนว่าท่านผู้นี้เป็นคนที่กระด้างด้วยความรู้ถือว่าตนเองมีความรอบรู้ มีความเฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นอันเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดมานะประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้วิธีตรมานด้วยการไม่ยอมให้ถามในโอกาสที่ท่านอยากจะถามและถูกข้ามในลักษณะนี้สองครั้งติดต่อกันพอมาถึงคนรองสุดท้ายคือคนที่สิบห้า ทันก็ขอโอกาสถามเป็นครั้งที่สมพระพุทธเจ้าเห็นว่าท่านมีความสำนึกลดละมานะความกระด้างลงไปมากแล้วเป็นจิตที่พร้อมจะฟังเหตุผลที่พระองค์จะทรงแสดงจึงโปรดเปิดโอกาสให้ถามปัญหาได้นี่คือหลักการฝึกพุทธเวทใน ของพระพุทธเจ้าอีกวิธีหนึ่งเพราะถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลยังมีความกระตั้งอยู่ย่ไม่พร้อมที่จะฟังที่จะปฏิบัติหรือที่จะคิดพินิจิจารณาธรรมะวิธีการเหล่านี้ก็คือวิธีการที่เราเรียกว่าสันเล ข, ขะคือขัดเกลาเพื่อปรับคุณภาพในด้านจิตใจให้เหมาะวร แกฐานะนั้นๆแม้แต่การบัญญัติธรรมะในโครงสร้างหลักที่เป็นศีลสมาธิปัญญาก็มุ่งที่จะขัดเกลาวจิตใจของบุคคลให้มีความประนีตขึ้นไปโดยลำดับหรือแม้แต่คำสอนที่เราเรียกว่าภูรานุสาสนีคือคำสอนที่ทรงสั่งสอนมากเป็นพิเศษ รวนแล้วแต่เป็นการขัดเกลาวฝึกปลือจิตใจของบุคคลขึ้นไปโดยลำดับจนพร้อมที่จะรอ ง, ร, องรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปลักษณะาการฝึกในแนวนี้ก็เหมือนกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยเรื่องหยาบๆไปก่อนง่ายๆไปก่อนเสริมสร้างความจำนิชำนาญความรอบรู้ในด้านนั้นๆขึ้นไป แล้วก็ให้งานที่ประณีตขึ้นไปโดยลำดับงานที่เขาทำโดยฝีมือที่ได้รับการฝึกปรืออบรมมาดีแล้วก็จะเป็นงานที่มีค่าในชั้นที่จะเอาไปซื้อขายก็จะขายได้เงินจำนวนมากกา ร, รปฏิบัติธรรมะด้วยการฝึกปรือสอนบุคคลของพระพุทธองค์ก็มีลักษณะอย่างนั้น คือพยายามที่จะให้คนได้รับขนซึ่งมีค่าสูงที่สุดเท่าที่กําลังเขาจะรับได้แต่ถ้าในตอนต้นรับไม่ได้ก็ต้องปรับกันไปทีเดียซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติหรือพระพุทธคุณข้อว่าอนุตตรบริสธรรมสารถิคือทรงเป็นสารติที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีคนไม่มีสารติอื่นจะยิ่งไปกว่า และการฝึกปรือในแนวนี้เมื่อน้อมมาพิจารณาที่ใจตนเองเราก็จะเห็นว่าบางครั้งใจกระด้างหรือใจฟูขึ้นหรือใจฟุ้งก็จำเป็นจะต้องฝึกปรือด้วยการควบคุมลดความฟุ้งความกระด้างความสายไปของจิตได้สักก่อนเพื่อให้จิตเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้ แต่บางครั้งจิตมังก็ลดลงไปหรือตกต่ำลงไปก็ต้องยกจิตขึ้นมาจากสภาวะที่ตกต่ำดังนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องของมานะคือความกระด้างทางใจมันจะมีอยู่สามระดับระดับแรกเรียกว่าอาติมานะคือดูมินเป็นอาการกระด้างที่ชัดเจนจนไปมีความรู้สึก ในทางสุประมา a ดูหมิ่นคนอื่นในด้านต่างๆแต่ในกรณีนี้ก็เป็นการสุประมาทดูหมิ่นในด้านความรู้มนานะบางระดับเป็นการตีเสมอจะยกตนเทียมท่านแต่บางระดับก็จิตมันก็ตกไปที่เรียกว่าโอวมานโอมาะนะคือดูหมิ่นตัวเองจะทำให้คนไม่พร้อมที่จะทำอะไรจะศึกษาอะไร ก็จะมีความรู้สึกด้วยตัวของตัวเองว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไม่เป็นเราทําไม่ได้เราไม่สามารถหรือว่าเราเรายังเยาวเราอ่อนหรือเราโง่แล้วก็ขาดความกระตือรือร้นที่จะกระจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปตัวอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสภาพจิตที่มีปัญหาทั้งหมด ซึ่งจะอยู่ในจุดใดก็ตามก็ต้องมีวิธีดึงจิตขึ้นมาให้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นกลางๆพร้อมที่จะรอมรับคุณธรรมความดีทั้งหลายแต่อาการเหล่านี้จึงเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้แม้กั่จิตของตนในขณะปฏิบัติธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนให้ข่มจิตให้ประคองจิตให้ห้ามจิตหรือให้การจิตหรือให้ยกจิต ซึ่งก็อาการที่ใช้เหล่านั้นแสดงว่าจิตอยู่ในสภาพที่ไม่เหมือนกันในบางกรณีก็ต้องห้ามจิตเอาไว้ในบางกรณีก็ต้องกั้นจิตเอาไว้บางกรณีก็ต้องประคองจิตไว้บางกรณีก็ต้องขมบางกรณีก็ต้องยกขึ้นเมื่อปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้น น, น จิตก็จะเดินเข้าสู่คลองห่างกรรมฐานได้นำความสงบความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ดังนั้นจะเห็นได้ว่าอาการของจิตบางครั้งก็เคลื่อนไหวออกมาเป็นรู ป, ปรธรรมเป็นนิสัยประจำของบุคคลเหล่านั้นแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วแก่เกิดได้เป็นขณะขณะ เวลาปฏิบัติก็มองดูในช่วงขณะเวลาทั่วไปก็มองดูอาการที่เป็นไปามากของบุคคลเหล่านั้นซึ่งบางครั้งที่ทรงแสดงในรูปของจริตหกเอาไว้ซึ่งหมายความว่าอาการเหล่านั้นเป็นอาการที่เป็นไปามากมีปกติเป็นอย่างนั้นจนกลายเป็นจริตเป็นนิสยัย บางครั้งลึกไปกว่านั้นท่านก็นเรียกว่าเป็นสันดานที่ยากต่อการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงถึงหมายความม่าท่าสันดานดีก็ยากที่จะใครทำให้ไม่ดีถ้าไม่ดีก็ยากต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงให้ดีก็มีลักษณะกัดกร่อนเจาะลึกลงไปมากในคำกราบทูลของท่านโอษขราชปรนบก็ดี มน์ทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับถึงสิบสี่ท่านกระดีษนั้นมักจะเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระสักกะซึ่งเป็นคำที่คนยังไม่ปฏิญาณตนนับถือพระพุทธศาสนาเรียกแต่โดยความหมายแล้วเป็นการแสดงถึงธรรมะในด้านต่างๆ คำว่าสั ก, กะอาจจะแปลว่าองค์อาจกราหารันเราจะแปลโดยเชื่อสายว่าพระองค์เป็นศักยะหรือเป็นสักกะในภาษาบาลีเราจะแปลว่าพรงคทรงสมบูรณ์ด้วยทรับเป็นทั่นมากในความหมายของคาว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทรัพย์มากนั่นท่านอธิบายว่า พระเจ้าทรงประกอบด้วยทรัพย์ั้งส่วนที่เป็นอริยทรัพย์และส่วนที่เป็นโลกุตระทรัพย์ซึ่งก็หมายถึงคุณธรรมธรรมะฝ่ายที่เป็นคุณมีลักษณะเกื้อกูลแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในแง่ขององค์ธรรมได้แก่ธรรมะกลุ่มของมรรคสัจ รเรียกว่ากุศลและธรรมทั้งส่วนเหตุและส่วนผลนั่นเองแต่ถ้าสงเคราะห์ให้แคบเข้าก็คือกลุ่มของนิโรธสัตว์และกลุ่มของมรรคสัตว์คำว่าทรัพย์แปลว่าสิ่งที่นําความปลื้มใจมาให้จะเป็นสิ่งของท่านแปลวัตถุที่นําความปลื้มใจมาให้ถ้าเป็นคุณธรรมก็แปลว่าคุณธรรมที่นําความปลื้มใจมาให้แก่บุคคลเหล่านั้น ชุดแรกท่านเรียกว่าอริยทรัพย์อริยทรัพย์ก็คือทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์อันสูงสุดทรัพย์ที่แท้จริงซึ่งไม่สาธารณะทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายคือใครทําคนนั้นก็ได้เมื่อใครมีแล้วใครก็เข้าโมยลักไปไม่ได้ไม่พินาศสูญหายไปเพราะภัยทั้งหลายมีอักขีภัยวาตาภัยอุทกภัย ราจฎร์ไพจรภไพเป็นต้นบางครั้งทรงใช้คำว่าบุญเยนิธิประคุมทรัพย์คือบุญที่บุคคลฝังเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็ติดตามตนไปได้แต่พอสูงขึ้นท่านก็เรียกเป็นอริยทรัพย์เริ่มต้นด้วยศรัทธาคือความเชื่อมัน่น ยังลงมั่นคงในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจา้าไม่มีความเคลือบแครงสงสัยในพระคุณทั้ง9ก้าประการที่สวดสรรเสริญกันแม้บางครั้งจะไม่สามารถวินิจฉัยตัดสินด้วยสติปัญญาของตนก็ปรงใจเชื่อด้วยศรัทธา ในส่วนใดที่สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นพินิจพิจารณาจนเกิดความเข้าใจได้ก็เชื่อมั่นในพระพุทธคุณข้อนั้นทั้งด้วยศรัทธาและด้วยปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของบุคคลระดับพระอริยะคือโสดาบันขึ้นไปนั้น แสดงให้เห็นถึงศรัทธาที่บั้นคงไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยและในตรัยสิกขาแม้จะมีการจําแนกออกไปถึงสประการฐานใหญ่ก็อยู่ที่พระพุทธคุณพระประธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตรสิกขาก็คือคําสั่งสอนประสงค์ก็คือหมู่ชนที่ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฐานสำคัญจึงอยู่ที่ศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าเมื่อศรัท ธ, ธาในจุดนี้ได้ก็จะเดินหน้าต่อไปได้ตั้งประธรรมประสงและในไตรติคาจนเกิดเป็นอจละสศรัท ธ, ธาหรือไม่มีความหวั่นไหวจิตใจจะถูกจะไม่ถูกอำนาจของกามฉันทะหรือความเคลียบแครงสงสยัยหรือความไม่เชื่อ ชักนาไม่ออกไปจากคันลองแห่งธรรมได้อาการที่สองคือศีลหมายถึงกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาได้ในระดับหนึ่งมองเห็นโทษของการละเมิดศีลมองเห็นคุณของการมีศีลแล้วมีเจตนาวิรัต์งดเป็นไม่ประพฤติกระมในลักษณะที่จะนำเวรภัยมาให้เกิดขึ้นแก่นตนและบุคคลอื่น จะมีการงดเว้นมีการสำรวมระวังศีลเข้าถึงกายถึงวาจาเข้าถึงใจกุมาการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นปกติจิตใจมีความสงบเย็นไม่มีความหวาดระแวงเวนภยัยอันตรายต่างๆซึ่โดยหลักการก็คือมุ่งขยจัดความโลภอย่างรุนแรงที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นเอง พฤติกรรมที่รุนแรงภายในโลกนั้นจะออกมาในรูปของโลภะการาหรือละโมบมากเป็นพิเศษครั้ารจนถึงจะมีการลอกเลียนอาการกริยาของสัตว์ดิรัจฉานคือมีการยุ้แจ้งมีการทำลายขวายตรงกันข้ามเพื่อตนจะได้สิ่งที่ตนต้องการ นั้นเมื่อกุศลและเจตนาเป็นเหตุในสมาทานงดเว้นดำองของสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ก็ทำให้อาการกายวา จ, จาของบุคคลเหล่านั้นส ง, งบเป็นปกติอาการต่อไปก็คือหิริความละอายต่ออกุศลทุจริตต่างๆเป็นมโนธรรมภายในใจของบุคคล่จะทำหน้าที่สกัดกั้นบาปอากุศลซึ่งยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วจะค่อยๆเสื่อมไปฮิริโอตตปะจึงเป็นหลักใจที่มีความสำคัญจนถึงพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นโลกกับปรารธรรมเกิดรรมที่คุ้มครองโลกเอาไว้การที่โลกอยู่ดีมีสุขพอสมควรนั้นก็เพราะอาศัยคุณธรรมสองประการคือฮิริโอตตปะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายทาให้คนส่วนใหญ่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน ไม่ให้เป็นพิษเป็นภัยรุนแรงจนถึงกับล้างผลาญข้าวฟันการหาความสงบไม่ได้แม้โลกจะมีความวุ่นวายแต่คนส่วนใหญ่ก็มีฮิริอตตปะอยู่ในจุดที่พอสมควรฮิริจึงแปลว่าความละอายต่อ บ, บาปหรือความละอายแก่ใจที่เกิดขึ้นโดยอาศัยชาติสกุล อาศัยวัยที่จเจริญขึ้นอาศัยการศึกษาดีขึ้นอาศัยอายุมากขึ้นเป็นตัวเสริมสร้างให้หิริมีความเข้มข้นจนอยู่ในจุดที่จะคุ้มครองรักษาตนได้ปฎปะนั้นมีความหวาดสดุ่งตอบผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำทาให้สะดุ่งต่อเหตุคือบาปที่ตนจะกระทำ อาศัยปัจจัยที่มีปัญญาเป็นเครื่องพินิจเปรจยาส่องถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตการถ้าหากว่าตนทาเช่นนั้นเห็นมองเห็นว่าถ้าทำไปตนเองก็จะติดเตียนตนเองได้ผู้รู้คใครควรแล้วจะติดเตียนอาจจะถูกจับกลุ่มคุมขังผิดกฎหมายของบ้านเมืองและต้องตกอบายเป็นตน้นทำให้บุคคล งดเว้นไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อธรรมะคือริโอต ป, ปะมีความเข้มข้นสูงขึ้นศีลก็จะมีความสมบูรณ์ขึ้นอันแสดงถึงศรัทธาที่มีกำลังมากยิ่งขึ้นอาการต่อไปก็คือสุตตะเป็นการเสริมสร้างปัญญาในรูปของการศึกษาและการพินิจพิจารณาสุตตะท่านจึงใช้เพียงสามชั้น ในชั้นแรกได้แก่เรียนรู้ทางประสาทสัมผัสแต่ในชั้นของการเรียนรู้นั้นเองเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงระดับของการฟังก็ทรงแสดงเต็มรูปของการฟังที่อํานวยประโยชน์ให้ว่าเมื่อบุคคลมีศรัทธาแล้วเข้าไปหาสัตว์ปรุษเมื่อเข้าไปหาสัตว์รุษแล้วก็นั่งกลายเมื่อนั่งกลายก็ฟังธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็เงี่ยหูลงฟังธรรมนั้น พิจารณาข้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นสามารถทรงจําธรรมะเหล่านั้นเอาไว้จนถึงกับพบเจาะแทงตลอดโดยทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนในองค์ธรรมเหล่านั้นซึ่งหมายความว่าสุตะที่เกิดขึ้นนั้นเป็นชั้นของปริยัติศึกษาคือการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสการทรงจําและการท่องเรื่องราวต่างๆเอาไว้ได้ มุ่งที่จะเสริมสร้างส่วนของปริยัติเป็นบันไดแห่งการปฏิบัติแล้วก็ทรงแสดงเรื่องของจาคะที่แปลว่าความสละจาคะนั้นมีปัญญาเข้ากำกับโดยองค์้งทําแล้วก็เป็นกลุ่มของกุศลธรรมประเภทฐานแต่ว่าจาคะมีคุณภาพที่สูงขึ้นเพราะนอกจากสละสิ่งที่เป็นรูปธรรม บางครั้งเราเรียกว่าบริจาคแล้วพอถึงระดับหนึ่งก็จะมีการสละในรูปที่เป็นการสละอคุศนเจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของตนข้อนี้พึงสังเกตว่าเวลาประพฤติปฏิตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติความดีอะไรก็ตามจะมีความรู้สึกประเภทกิเลสสมาน ก็มาขัดขวางความคิดเพื่อจะกระทําสิ่งนั้นๆอยู่เสมอซึ่งจากค่าจะต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องสอดส่องมองดูความคิดเหล่านั้นว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นมานที่จะขัดขวางความดีเห็นว่าจะเป็นมานอุปสรรคขัดขวางความดีก็ต้องขจัดความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจนั้นก็เป็นอาการสละอีกระดับหนึ่ง พอถึงระดับหนึ่งก็จะเป็นการสละในรูปของการสละกิเลสไปเลยที่ปรากฏเป็นรูปธรรมเด่นชัดออกไปเป็นความโลภลดลงความโกรธลดลงริษยาอาฆาตลดลงพยาบาทลดลงฟุง้งซ่านลดลงเป็นต้นเป็นอาการของนิพพานหรือคุณสมบัติของนิพพานท่นานใช้คำว่าบุญโพธิ์คือคำที่ใช้แทนนิพพานได้ แต่โดยความหมายที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องหมายถึงการสละกิเลสโดยองค์มรรคให้มาจบลงที่ปัญญาซึ่งเป็นความรู้ประเภทที่ขจัดกิเลสคือโมหะโดยตรงสามารถที่จะมองโลกในแง่รวมและในแง่แยกได้คือยอมรับในชั้นสมมติได้แต่ในขณะเดียวกันก็ สามารถที่จะใช้ปัญญาสอดสองพินิษพิจารณาถ่ายถอนความยึดติดด้วยอำนาจตัณหาว่าเป็นของเราเริ่มนาฏมานะว่าเป็นเราเริ่มนาฏทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราในสัตว์และสังขารลงไปได้แต่จริงแล้วปัญญาก็มีอยู่หลายชั้นอย่างที่ทราบกันชั้นหนึ่งก็เป็นสุตะอยางที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น ชั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการคิดคือนำมาย่อยนำมาคิดอีกชั้นหนึ่งก็คือการลงมือประพฤติปฏิบัติเหล่านี้เป็นธรรมปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์ทำไมจึงได้ชื่อว่าอริยทรัพย์เพราะว่านำความปลื้มใจมาให้ของพระพุทธเจ้าพระริจ้านั้นท่านมีความสมบูรณ์เต็มที่ทำไมท่านได้ธรรมปีติ คือความเอิบอิิมในธรรมจะยัง่งจะจะอยู่ในที่ใดก็ตามจะมีความสุขกความรู้สึกว่าเป็นสุขอย่างที่พระราหันอดีตกษัตริย์ทั้งหลายเช่นพระมหากับินะก็ดีพระพัตติยะก็ดีหลังจากบรรลุมรรคผลเข้าถึงอริยรัพที่สมบูรณ์แล้วจะนั่งที่ไหนท่านมักจะอุทาน ว่าอาโหสุขขังอโหสุขขังคือสุขจริงสุขจริงเพระาะไรเพราะว่าในชีวิตสมัยที่เป็นกษัตรินั้นอาจจะรู้สึกประสุเพราะมีค่าทาปริวารมีกรรมคุณเป็นจำนวนมากที่น่าใค ร, นรน่น่าปราตนาน่าปล่อใจแต่เอาก็จริงแล้วก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงไม่มีความมั่นใจในเรียบ ท, ทั้งหลายเพราะกลัวต่ออันตรายจากคนกล้าจากคนไกล และแม้แต่จากคนที่ใกล้ชิดตัวตนเองพอกิเลสหมดไปแล้วอันตรายเหล่านั้นก็หมดท่านจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่สะดุ้งไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหลายอริยศัพย์ทั้งเจ็ดประการนี้แม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปถึงเจ็ดข้อแต่ในเชิงของการปฏิบัติถึงสังเกตว่าเป็นเรื่องของกุศลและธรรมที่จะนาเอา อากุศลทุจริตต่างๆออกไปจากใจของบุคคลทั้งชั้นหยาบชั้นกลางและชั้นละเอียดเช่นศีลจะทำหน้าที่ขจัดอากุศลระดับหยาบออกไปจากฆากรข จ, จัดทั้งหยาบทั้งกลางและทั้งละเอียดสุตระนั้นขจัดความหลงเป็นพื้นในเหตุผลของการดำรงชีวิตเป็นต้นเรื่อยไป จนตฐาทานจะทำความผ่องใสให้บังเกิดขึ้นภายในใจพิริโอต ป, ปะเป็นหลักคุ้มครองใจขจัดสิ่งที่เป็นบาปทั้งสามสายคือทั้งโลกโกดตรงออกไปและปิดกั้นไม่ให้โลกโกดตรงเข้ามาภายในใจควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาไม่ให้เป็นไปในทางบาปทางอากุศลทุจริต โดยมาโดยมีปัญญาเป็นประทีปสองทางชีวิตของบุคคลแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือกุศลที่ทำหน้าที่ขจัดโลภะโทสะโมห oh ะนั่นเองต่เป็นการแสดงโดยปริยายหนึ่งกินยะหนึ่งมีความลึกซึ้งมีความละเมียดลงมาละเมียดละไมในองค์ธรรมลงไปโดยลำดับพระกุธเจ้านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยทรัพย์อันรเรทั้งเจดประการนี้ และเป็นทรัพย์ที่เป็นมรดกธรรมซึ่งทรงอนุาสาสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ถือตามปฏิบัติตามเพราะอย่างน้อยที่สุดในชั้นของศีลธรรมจัญญานั้นจะเป็นบุญกุศล ส, ส่วนที่ท่านเรียกว่าอนุามินีคือติดตามตนไปได้เพราะเป็นการขายจัด ความเศร้าหมองภายในจิตใจเสริมสร้างคุณภาพของจิตได้สูงขึ้นซึ่งเราใช้คำแบบไทยๆว่าขึ้นสวรรค์และตกนรกแต่จริงลักษณะของขึ้นสวรรค์และตกนรกนั้นเป็นการสดแสดงถึงสภาวะของจิตที่สูงขึ้นจากอำนาจของกิเลส ตกนรกคือจิตที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสแต่ว่าภาษาบาลีที่ทรงใช้เองจริงๆนั้นไม่ได้ใช้คำว่าขึ้นสวรรค์ได้ใช้คำว่าเกิดในสวรรค์หรือเกิดในนรกเลยโดยมากจะปรากฏในคําสอนทั้งหลายเดี๋ยวเบอรหน้าแต่ตายพระกายแตกจ่อมเข้าถึงสุขทุกขติวินิบาตนารกอสุรกายเวลาตกนรกจริงๆนั้นจะใช้คำว่าเข้าถึง คือไม่ใช่คําว่าตกแต่คําว่าตกเป็นการพูดถึงสภาพจิตที่ตกตกต่ําลงไปจนถึงกับเป็นวิธีการของสัตว์ดิเรกชนันวิธีการหารุโคะรุนแรงต่างๆดังนั้นจะพบว่าแม้คําว่ามนุษสมนุษย์โสมนุษย์สเปโตมนุษย์ดิรกจันโนอะไรที่เอามาพูดกันที่จริงไม่ใช่คําในภาษาบาลีแท้ๆแต่เป็นคําที่พูดกันในหมู่คนไทย พูดถึงคนที่สภาพจิตตกไปเป็นแบบสัตว์ดิรัจฉ า, านแบบสัตว์นรกแบบอสุรกายหรือแบบเปรตทั้งหลายคือหมายความว่ามีจิตมันตกลงจนมีพฤติกรรมแบบสัตว์เหล่านั้นแบบอมนุษย์เหล่านั้นส่วนที่ว่าขึ้นสวรรค์พระเจ้าใช้คําว่าอุป ป, ปัชติคือแปลว่าบังเกิดดังนั้นคําว่าขึ้นสวรรค์ที่จึงจึงเป็นภาษาไทยที่ใช้หมายถึงสภาพจิตซึ่งสูงขึ้นสูงขึ้นเหนืออํานาจของกิเลส แสดงเห็นว่าจิตจะปลอดจากแรงผลักดันของบาปอากุศลขึ้นไปโดยลำดับมีความส ง, งบมีความประนีตมีความสว่างขึ้นมาทางใจในชั้นศีลธรรมจัญญาจึงเป็นทรัพย์ที่นำติดตัวไปได้แต่ถ้าหาก็คุณภาพของธรรมะนั้นมีปริมาณสูงขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดกิเลสให้เกิดเป็นความส ง, งบกิเลส จนถึงกับละดับกิเลสไปได้โดยนำดับและหมดสิ้นเชิงได้ในที่สุดดังนั้นอริยทรัพย์จึงเป็นทรัพย์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้มีด้วยพรลงเองแต่มอบให้เป็นมรดกแก่พุทธบริษัททั้งหลายสามารถใช้ฉันทะอุตสาหะของตนเสริมสร้างอริยทรัพย์ที่นำความปลื้มใจอย่างแท้จริงให้บังเกิด มีขึ้นเป็นขึ้นภายในจิตของตนตามกำลังความสามารถได้ลผลคือความปีติสมนัตความสุขความสงบก็จะติดตามมาตามสมควรแก่การประฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทั้งความสงบสืบต่อไป